เรื่องประมาทะสนิมในใจหมายเลข16จะว่าด้วยการเมาต่อไปอีกบทก่อนก็เมามาแล้วแต่มันยังเมาไม่ครบทุกแบบในบทนี้แหละจะเมาให้ครบคือการเมาทางกายก็มีหลายชั้นแล้วแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เมานั้นมีพิษสง์แค่ไหนและคนผู้เมานั้นชอบเมาขนาดไหน เมาขนาดพอมึนๆก็มีเมาแล้วนอนมีเมาแล้วฟุ้งมีเมาแล้วโยมีเมาแล้วคํารามสํารอกอาหารเก่ามีรวมความว่าเมาทางกายมีหลายแบบหลายขนาดทีนี้เมาทางใจก็มีหลายขนาดเหมือนกันเมาขนาดสุดมีขนาดเสียมีขนาดใช้การไม่ได้ก็มีซึ่งจะได้เสนอต่อไป อาการที่ใจเม า, านั้นมีอยู่สมชั้นแต่และชั้นมีความเป็นไปต่างกันคือ 1. มะโทมัวเมา 2. ปะมัทโทเมาทั่ว 3. อุมมะทโทเมาสุดเมาชั้นที่หนึ่งคือมะโทรตรงกับอุปกิเลสหรือสนิมในใจหมายเลข15ซึ่งได้บรรยายมาแล้วในบทก่อน ในที่นี้เพียงยกมาเข้าพวกกันให้ดูเท่านั้นเมาชั้นที่สามคืออุ่มมโธขพเจ้าแปลไว้ว่าเมาสุดหมายถึงว่าเมาสุดขีดเลยเกณฑ์เลยขนาดขอให้นึกถึงทางกายมาเปรียบกันอีกร่างกายของคนเราแต่ละคนมันมีขีดสุดอยู่เหมือนกันว่าจะเอาได้สูงสุดแค่ไหน ถ้าเมาเลยนั้นไปเป็นอันตรายอาจล้มฟุบสิ้นสติไปหรือเส้นโลหิตแตกหรือหัวใจหยุดทำงานก็ได้ถ้าเลยขีดที่มันจะเมาได้ตัวก็ตายการเมาทางใจก็คล้ายๆกันใจแต่ละดวงมีกำลังไม่เท่ากันมีขีดสุดอยู่แล้วว่าจะเมาในอารมณ์ได้ขนาดไหนพูดง่ายๆคือจะเสียใจได้มากที่สุดเท่าไหร่ จะดีใจได้เต็มที่เท่าไหร่มันมีขีดสุดเหมือนกันถ้าใจเมาในอารมณ์เลยขีดนั้นไปใจจะหมดการทรงตัวภาษาชาวบ้านเราเรียกใจที่เมาสุดขีดอย่างนี้ว่าใจบ้าหรือคนเป็นบ้าความเมาประเภทอุมมาโธหมายถึงเมาขนาดเป็นบ้านี่เองจิตใจถึงขั้นนี้อยู่ในสภาพใช้การไม่ได้แล้ว เหมือนกับตายจากความเป็นผู้คนธรรมดาเมาขนาดนี้ท่านไม่จัดว่าเป็นอุปกิเลสเพราะเป็นคนนอกบัญชีแล้วถึงจะทำอะไรไปก็ไม่มีใครติชมมีแต่ความสงสารเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะต้องพูดก็ไม่จำเป็นเพียงแต่ให้ทราบไว้ว่าความเป็นบ้าของคนก็คืออาการเมาของใจอย่างหนึ่งเหมือนกัน เมาชั้นที่สองนั่นสิเป็นสนิมในใจความเมาชั้นที่ว่านี้คือประมะทรัทโธหรือปรมาทะตรงกับอาการที่เราพูดกันอยู่ดาาดื่นว่าความประมาทตัวความประมานี่แหละที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้ว่าเป็นอุปกิเลสลำดับที่สิหซึ่งเป็นลำดับสุดท้ายอาการอย่างไรที่เรียกว่าประมาทจะต้องวิเคราะห์กันให้เข้าใจ ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ใครๆชอบพูดกันอยู่มากแต่ก็มีไม่ใช่น้อยที่เข้าใจไข้เขวไปเช่นเข้าใจว่าการดูถูกดูหมิ่นกันเป็นความประมาทเป็นต้นซึ่งยังไม่สู้จะตรงตามความหมายแท้การดูความประเภทนั้นเรามีที่ดูอยู่สองที่คือ 1. ดูคนประมาทและ 2. ดูความประมาท ที่ว่าคนประมาทหมายความว่าดูพฤติการของคนเช่นการทํางานการขีดเขียนการขับขี่ยานพาหนะการเดินเหนินการจัดแจงเกี่ยวกับตัวเองและครอบครัวรวมความว่าดูการทํางานของผู้นั้นนักเรียนส่วนมากเรียนกันมาว่าความประมาทคือการอยู่ปราศจากสติพูดง่ายๆคือ ทำงานโดยขาดสติควบคุมที่เรียนกันมาอย่างนี้ถูกต้องดีแล้วทางอัตถคถาบาลีก็ไม่ขัดแต่ความเข้าใจของนักเรียนอาจเข้าไม่ถึงจุดก็ได้คือพวกนักเรียนได้เรียนว่าความประมาทคือการขาดสติก็มักจะนึกวาดภาพไปว่าคนประเภทนี้ทำอะไรหลงหลงลืมลืมไม่มีสติสตังเช่น เขียนหนังสือก็ตกตกหล่นหลนแล้วเข้าใจเอาว่าความประมาทก็หมายความแค่นี้ถ้าตัวเขียนหนังสือไม่มีตกไม่มีหล่นเลยก็นึกภูมิใจว่าตนเป็นคนไม่ประมาทนี่เข้าไม่ถึงที่จริงคนประมาทแล้วไม่ใช่เสียด้วยเรื่องขี้หลงขี้ลืมเท่านี้การหลงหลงลืมลืมนี้เป็นเพียงอาการบางอย่างของความประมาทเท่านั้น คนบางคนจมอยู่ในความประมาทมิดตัวแต่อาจไม่มีอาการเผลอเลอให้คนอื่นเห็นเลยก็ได้เช่นคนมัวเมาในอบายมุกที่นั่งเล่นไพ่ข้ามวันข้ามคืนนั้นคือจมอยู่ในความประมาทแล้วแต่ใจขณะนั้นไม่มีเผลอเลยจำแต้มคูเลเหลี่ยมดีนักพวกนักเลงมา้านักเลงโปก็เหมือนกัน จำวันเวลานัดได้แม่นยิ่งเสียกว่าอะไรคนเข้าวัดจำศีลภาวนาเสียอีกบางทีลืมหน้าลืมหลังแล้วอย่างนี้ใครกันแน่ที่มีความประมาทที่จริงปัญหาเหล่านี้เบาเหลือเกินสำหรับนักธรรมะที่เอามาพูดไว้ด้วยสำหรับบางท่านที่อาจ ง, งุนงงสงสัยเท่านั้นการที่จะวินิจฉัยว่าการทำงานของคนที่มีความประมาทแล้วเป็นอย่างไร ต้องสาวไปดูว่าในอัตถกาถาบาลีคัมภีร์ทางศาสนาท่านกล่าวไว้อย่างไรบ้างแล้วเอามาใช้เป็นหลักพิจารณาเท่าที่ข้าพเจ้าได้พอเห็นมามีศาสนาพาสิตอยู่บทหนึ่งแสดงคุณลักษณะของคนไม่ประมาทไว้กระทัดรัดหน้าฟังคำบาลีนั้นว่าสั่งเกยะสั่งกิตั บ, บานิพึงระแวงสิ่งที่ควรระแวง รัเคยยานากระตังพยังพึงระวังภัยในอนาคตพระบาลีนี้บ่งความว่าถ้าคนไม่ประมาทแล้วจะมีพฤติการสองอย่างคือรู้จักเป็นห่วงหรือกลิ่งเกรงว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นแก่ตนในทางนั้นทางนี้เช่นเป็นห่วงสุขภาพจะเสียเป็นห่วงหน้าที่ของตนจะเสื่อม เป็นห่วงว่าตนเองอาจยากจนลงไปเป็นห่วงว่าวิชาความรู้ของตนจะไม่พอเพียงกับความก้าวหน้าดังนี้เป็นตน้นความเป็นห่วงในสิ่งที่ควรห่วงนี่แหละสำนวนทางศาสนาท่านใช้คำว่าระแวงนี่ลักษณะหนึ่งอีกอันหนึ่งคือความระวังหมายความว่าไม่ใช่รู้จักแต่ระแวงอย่างเดียวเท่านั้น แต่หากมีการคิดอ่านหรือจัดการป้องกันไว้ด้วยเช่นเป็นห่วงว่าตัวจะจนจึงป้องกันด้วยการประหยัดทรัพย์เป็นห่วงว่าหน้าที่จะบกพร่องจึงเพิ่มการตรวจตรายิ่งขึ้นไปอีกอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าระวังนี่ว่าย่อๆรวมความว่าคนที่ไม่ประมาทแล้วจะมีลักษณะสองอย่างปรากฏออกมา คือมีความระแวงระวังอยู่เสมอทีนี้ถ้าจะดูฝ่ายตรงกันข้ามคือดูพฤติการของประมาทเราก็เอาลักษณะสองอย่างนั่นแหละมาเป็นหลักสังเกตคือคนที่ประมาทแล้วย่อมสังเกตได้ว่า 1. เป็นคนขาดความระแวงและสองเป็นคนขาดความระวังรวมความว่าไม่มีความระแวงระวังนั่นเอง ส่วนจุดที่เราจะสังเกตว่าใครมีความระแวงระวังหรือไม่ก็สังเกตจากความประพฤติและการทำงานผู้นั้นคนที่ขาดความระแวงมักจะเป็นคนมองไม่เห็นทางเสียเช่นมัวเมาไปกับการพนันขันต่อเห็นแต่ทางรวยส่วนทางเสียหายล่มจมมองไม่เห็นอยากแต่จะเปิดหน้าต่างนอนให้เย็นสบาย แต่ไม่ได้ระแวงว่าจะมีขโมยเข้ามาลักของในบ้านหรือไม่พอต้นเดือนจับจ่ายอวดมั่งอวดมีกันไม่ระแวงบ้างเลยว่าปลายเดือนกระเป๋าจะแห้งเวลาเขาเล่าเรียนเขียนอ่านกันตัวถไลไปหาแต่เล่นไม่ระแวงไว้บ้างว่าไปไปก็จะถึงวันสอบแล้วตัวเองเองสอบตกก็ได้ คนขับรถเห็นแต่ทางที่จะอวดเก่งให้คนชมแต่ทางที่รถจะคว่ำหัวร้างข้างแตกมองไม่เห็นคนตามตัวอย่างที่ยกมานี่แหละคือคนขาดความระแวงส่วนคนที่ขาดความระวังมักจะแสดงว่าตัวคิดถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั้นๆอยู่แล้วแต่ไม่แคร์กลับผู้จาโอหังอวดดีคนประเภทนี้เวลาเผชิญกับเหตุการณ์ มักจะหงายหลังตึงแพ้ก็แพ้หลุดลุยเสียก็เสียอย่างยับเยินหมดก็หมดจนเกลี้ยงผิดก็ผิดถนัดแพ้ก็แพ้อย่างไม่มีท่าความก็ความเข้าเมาเลยรวมความว่าคนที่ขาดความระวังแล้วเวลาเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายมักจะเสียหายอย่างสิ้นท่านึกถึงคนเดินทางก็แล้วกันคนขาดระแวง หกล้มแล้วจึงรู้ว่าถังลื่นคนขาดระวังรู้ว่าตัวลื่นเมื่อมันหกล้มแล้วคนที่ขาดความระแวงและความระวังอย่างนี้รวมเรียกว่าคนประมาทฉะนั้นคนที่ทิ้งบ้านช่องไม่ห่วงลูกห่วงผัวไปหมกมุ่นกับการพนันหามรุ่งหามค่ำแม้จะเล่นเอาใจจดจอ่อไม่เผลอเลยสักนาทีก็ไม่พ้นเป็นคนประมาท เพราะขาดระแวงระวังทางส่วนใหญ่เสร็จแล้วเหมือนคนเดินผิดทางมันแยกผิดเสียแล้วตั้งแต่ต้นถึงจะเดินต่อไปอย่างมั่นเหมาะเรียบร้อยเท่าไหร่ก็คงถือว่าเดินผิดทางอยู่นั่นเองที่ว่ามานี้คือดูคนประมาททีนี้เชิญดูความประมาทต่อไปอาการอย่างไรแน่ที่เรียกว่าประมาทะ หรือความประมาทถ้าท่านผู้อ่านอยากเห็นตัวความประมาทขอโทษเถอะให้หลับตาเสียแล้วคิดถึงธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งสิงอยู่ในตัวเองคือจิตอาการที่เรียกว่าประมาทนั้นเป็นจุดเสียที่เกิดขึ้นในจิตนั่นเองจิตท่านเข้าใจอยู่แล้วไม่ใช่หรือว่าหมายถึงอะไรหมายถึงธรรมชาติผู้นึกคิด ซึ่งบงการให้ทาโน่นทํานี่อยู่ทุกวันนี่แหละลักษณะการคิดของจิตนั้นจะบังเกิดผลดีต่อเมื่อจิตคิดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวโดวยปกติแล้วคนเราจะคิดเรื่องสำคัญต่ อ, ต, อต่อกันไปเช่นคิดจะกินข้าวแล้วคิดแต่งตัวแล้วคิดลงจากบ้านคิดขับรถไปที่ทำงาน คิดทำงานทำการต่อไปนี่ความคิดหลักต้องคิดโยงต่อเนื่องกันไปอย่างนี้แต่ทีนี้เรื่องของจิตนั้นมันเป็นธรรมชาติไขว้คว้าไปตามอารมณ์ทั้งๆ ท, ง ท, งที่ตัวกำลังคิดงานสิ่งนี้อยู่แต่พอได้เห็นได้ยินอะไรเข้าจิตเกิดคิดแวบไปตามสิ่งนั้นความคิดแทรกนี่มีอยู่เสมอโปรดสังเกตดูให้ดี อย่างที่เคยยกตัวอย่างมาแล้วนั้นดูแต่ความคิดหลักก็จะเห็นแต่ว่าคิดกินข้าวแล้วคิดแต่งตัวแล้วคิดลงจากบ้านแล้วคิดขับรถคิดทำงานแต่ความจริงแล้วชั่วระยะที่ว่านี้จิตของเขามีความคิดแทรกขึ้นมานับได้พันๆครั้งเช่นขณะที่กำลังกินข้าวอยู่นั้นก็จึงมีความคิดแทรกขึ้นมาว่า แกงนี้เผ็ดนี่อร่อยแท้ปลานี้เรียกว่าปลาดุกประดุกมีเงี้ยงแหลมแหลมเหมือนเข็มและอื่นๆ อ, อ, อ, อีกหรือถ้าจะบันทึกลำดับความคิดหลักและความคิดแทรกเรียงกันดูจับเฉพาะตอนกําลังคิดขับรถไปทํางานก็อาจปรากฏดังนี้ความคิดหลักเรากําลังขับรถความคิดแทรก น้ำมันแพงพ่อค้าหน้าเลือดเดือนนี้เติมเท่าไหร่แล้วเอ๊น้ำมันเครื่องจวนหมดป้ะตักหน้าได้แม่คนนั้นคอยใครเมืองนอกเขาสาดมากหลังคาบ้านแบบนี้เกด๋ดีความคิดหลักเปลี่ยนเกียร์เสียทีความคิดแทรกเด็กนักเรียนแยะจังฝนทำไมไม่ตก ใครหนอจะเป็นรัฐมนตรีความคิดหลักเลี้ยวซ้ายนะความคิดแซกหนังสือพิมพ์หมู่นี้น่าสนใจน้ำเค็มไหลเข้าสวนบางปูเดี๋ยวนี้เหงาผมเปียกแบบนี้น่าอินดูนั่นแหละเนฉลิมไทยเปลี่ยนโปรแกรมและอื่นๆ นี่ข้าพเจ้าลองเรียงลําดับให้ท่านผู้ฟังได้ดูจังหวะที่ความคิดย่อยแทรกความคิดหลักพอให้มองเห็นบ้างเท่านั้นความจริงกว่าจิตจะวกกลับเข้าหาความคิดหลักที่หนึ่งที่หนึ่งมีความคิดย่อยแทรกตั้งเกือบพันความคิดหรือมากกว่านั้นเสียด้วยซ้ําหากจะวาดลงเป็นรูปก็คงจะเป็นอย่างนี้ดูในรูปที่หนึ่งใต้คลิป ภาพนี้ต้องการแสดงให้เห็นว่าเส้นดำใหญ่นั้นเป็นความคิดหลักขาดเป็นห่วงเป็นห่วงสั้นบ้างยาวบ้างตอนที่ความคิดหลักขาดนั้นจิตจะแวะออกไปคิดนอกเรื่องหลักคือตามไปกับความคิดย่อยที่เกิดขึ้นแทรกพอคิดประติดประต่อกันไปหน่อยจะมีความรู้สึกอันหนึ่งกระตุกจิตให้กลับมาคิดเรื่องเดิมความรู้สึกอันนี้ ภาษาทางศาสนาเรียกว่าสติสติจำเป็นมากสำหรับคนทุกคนที่จำเป็นก็คือมีไวสำหรับเตือนจิตไม่ให้ออกนอกทางไปไกลเกินไปนั่นเองคนที่สติพร้อมอยู่เสมอพอจิตจะแวบออกนอกทางก็กระตุกไว้ได้ทันท่วงทีนับว่าเป็นคนโชคดีมากคนอย่างนี้เราเรียกกันว่าคนรอบคอบ หรือคนสมาธิดีทำอะไรไม่ค่อยผิดพลาดเพราะความเผลอเลอจะผิดพลาดก็ต่อเมื่อตนรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆคนบางคนสติเกิดขึ้นช้าจิตแวะออกนอกทางไปตั้งนานแล้วสติยังไม่โผล่เราเรียกว่าคนสติเลื่อลอยคือสติไม่สมประกอบนั่นเองอันตรายมากอย่างเช่น กำลังขับรถพอขับไปผ่านหน้าโรงหนังตาเหลือไปยังป้ายหนังเข้าใจเกิดคิดไปตามเรื่องหนังสนุกอย่างโน้นดีอย่างนี้พระเอกแสดงท่านั้นนางเอกออกท่านี้คิดเตลิดเปิดเปิงออกไปไกลมากแล้วขณะเดียวกันนั้นเท้าก็เหยียบน้ำมันอยู่เรื่อยรถก็ยังวิ่งไปตรงนี้สิจุดอันตรายรถสวนก็ไม่เห็น รถแซงก็ไม่รู้ประเดี๋ยวก็โครมนี่แหละที่เราเรียกว่าตายเพราะประมาทที่ว่าประมาทก็คือจิตแวะออกนอกเรื่องไปนานที่จิตไปนานก็เพราะสติเกิดช้าที่นักเรียนท่องกันว่าความประมาทคือการอยู่ปราศจากสตินั้นก็เอากันตรงนี้แหละไปท่องที่ว่าอยู่ปราศจากสตินั้น คือจิตปราศจากสติคิดโดดๆโดดไปคนเดียวไม่มีสติกำกับลำพังแต่สติเกิดช้าก็มีหวังแย่ตามที่ชี้จุดตาให้ดูแล้วถ้าสติเสียยิ่งไปกันใหญ่ถ้าสติเสียแล้วจิตจะเตลิดเปิดเปลิงไปไม่กลับทางเก่าเลยตั้งเป็นเดือนเดือนปีปีอาจไม่กลับเลยตลอดชีวิตก็เป็นได้ คือคนที่จิ ต, ตเตลิดไปเลยอย่างนี้แหละที่เข้าขั้นเป็นอุมมะทโทเป็นบ้าตามที่กล่าวมาแล้วจิตที่ออกนอกทางไปเช่นนั้นก็เพราะเกิดความคิดแทกขึ้นมาแล้วตามไปกับความคิดแทกนั้นที่จริงจิตของใครๆก็เป็นเหมือนกันชอบแวะไปตามความคิดแทกทั้งนั้นแต่เขามีสติคอยกระตุกให้จิตกลับเข้าสู่ความคิดหลัก มันก็ไม่เกิดเรื่องอะไรใหญ่โตส่วนคนที่สติไม่สมประกอบสิลำบากพอจิตแวะไปก็ลอยตัวระหว่างที่สติกับจิตขาดสตินั้นหากจะเปรียบก็เหมือนเชือกผูกวัตถุที่ลอยลมได้จิตที่มีสติเหมือนว่าวลอยซึ่งมีเชือกป่าล่ามไว้ย่อนไปก็ได้กระตุกกลับก็ได้ส่วนจิตที่ขาดสติ เหมือนปุยนุ่นถูกลมพัดลอยขึ้นฟ้าเราไม่มีอะไรจะบังคับเลยแล้วแต่ลมจะพัดไปถ้ามันลอยอยู่แค่ระยะต่ำๆไม่ผลยอดไม้ก็ยังพอมีหวังเวลามันปะทะยอดไม้อาจตามไปเก็บคืนได้แต่ถ้ามันลอยขึ้นสูงพ้นยอดไม้แล้วก็ต้องปล่อยเลยตาเลยจิต ท, ที่แวะออกนอกทางก็เหมือนกันถ้าความคิดยังป้วนเปี้ยนอยู่กับตัวเอง หรือวงศาขนา ญ, ญาติก็ยังพอมีหวังญาติพี่น้องผู้ใดผู้หนึ่งอาจช่วยกันกระตุ้นเตือนได้แต่ถ้าจิตลอยไปไกลมากแล้วก็หมดหวังเหมือนนุ่นพ้นยอดไม้นั่นเองที่พูดนี้แสดงให้เห็นตัวความประมาตกิเลสที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าประมาทะหรือประมาท คืออาการที่อยู่นอกการควบคุมของสตินั่นเองเชิญดูอีกนิดนี่คือภาพความคิดหลักภาพที่สองใต้คลิปนั่นแหละท่านตรงที่ความคิดหลักขาดลงเป็นตอนเป็นตอนนั่นแหละเป็นตอนที่จิตมีความประมาทถ้าช่วงที่ขาดนี้มีบ่อยก็ทำอะไรพลาดเก่งถ้าช่วงที่ขาดนี้ยาวมาก ก็จะได้รับอันตรายจากความเผลอถ้าช่วงที่ขาดนี้ไม่ต่อกันนานมากก็เป็นบ้า